เรื่องมนตวัดผีคาถากันหลายตายตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยครอบหน่วยพรสริสวัสดิ์ที่พัฒนมองคลความพาสุทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาโจมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้สวยหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ผลใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ ช่งเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ ท, าทา่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทำมิกระทาปาทกระทรทำอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทา่านทั้งหลายตงมีความสนใจใฝ่ในธรรมจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังนั้นจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจในการดำเนินวิถีทางแห่งชีวิตของตนเองตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งหมในวันพรุ่งทำนิกะท้าในวันนี้เป็นวันพระอีกเช่นเดียวกันซึ่งเวมมเรมาบรรจบพอบรรเบิ่งพังโอ้ยอาตมาก็คิดแล้วคิดเหล่าว่าจะเอาคํามะขอดมาเหล่าให้ท่านพระทุกชนฟังเนื่องจากว่า วิจิตรการที่กําลังโค่นคมโลกในปัจจุบันนี้มันมีปัญหาเหมืออ่อกมาเกะกองทั้งในความเจริญรื่องเรื่องสีวิไลแต่จิตใจคนชนนี้จะเมืดมนอนละการจ่ิงนักเพราะที่แท้จริงก็คือความขาดสิ้นขาดธรรมนั่นเองจิตใจคนได้เมื่อตมแล้วทุกเสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลายเป็ น, เ ป, นเป็นปัญหาไปหมดเลย เป็นอย่างนี้เมือม่อโมหาหุมโรคตาสิหอนแห่งหุดแล้วว่าฉันยำในสส้นขาดขอนว่ามีหู่ต่ำสูงฟุ้มุนักปัเจ้าสิล่งหอมพุม่มขึ้นสิบดป่วย ต, ตามแผนแกนเดิมไม่เยต่างไม่มีที่ต่ำที่สูงเมื่อสิรธรรมขาดแขนโมหะความรุ่มร้องเกิดขึ้นกันไม่มีผู้ใดตักเตือนแม้แต่ น, นักปะาอาจารย์ก็พากันหลงไปด้วยกัน เกบโบราณเขียนไว้ขุนโมหนักป่าเจ้าลงโฮ ม, มขึ้นเสบบตัวตามแผนแกนเดิมทวินัยตังยังาอาจารย์เจ้าแปสนศสวดไปโสสารแปฐานทั้งเอ๋มูอาสารปฐมฐานเหี่ยมหัตถบัตพยัญชนะเป็นที่จังผสมหาออกเสียงยังเมื่อดาวสเสด็จใหญ่อังลงมาเถอดเมื่อใดยนุกับทุ่งมะขวัวะแปลไปให้เอินว่าอันอันทะนะอันทะอันท ะ, นทะกาเลย ยามมืดเวลามืดอันตกายเลนันเคร่งามคนไกบอดเหมืองแปดด่านบันดิตเสือให้เห็นตรงเจ้าปัป้น ญ, ญาเสียมแหลมคมพงศิสสองแหนตี้เฮียมเป็นพวงเพิ่มสิ่งสองขานิ่งเอาท้อนวันสันถ้าเกินคิดดูว่าทํามันมืดขึนมาแล้วอะไรอะไรมาก่อมองไม่เห็นมีแต่สิ่งเป็นพิดเป็นภัยหวาดกลัวกันไปหมดเลย ย่มได้โลองในเสียงส้นขาสิ้นธรรมย่มนั้นโล ก, ก, กา่วยเคลื่อนทั้งทลายห่องของทำเจ้าอง์พุทโธเขี่ยงบินลินดินและฝ่าแตงดาวกระเดิงไวยทุกสิ่งทุกอย่างมันกระทบกระเทือนกันไม่ไปหมดไม่ว่าจะเป็นเดินฟ้าอากาศลกกระชาป่าไม้โูเขาตลอดทั้งสัตวาวาสิงบินอยู่บนฟ้าปลาเท่นอนอยู่ในน้มกดี จะกลายเป็นสิ่งที่เดือดร้อนไปหมดและจะเอาอะไรมาช่วยจึงบอกว่าดินและฝาแดนดาวกับดึงหวยคนขาดสิ่งขาดทำจิตใจมืดมนอ น, อนทการพป้พี่พื้นไอ่วนแสงเทพจะตุโลกหลังล่วงลำซอยบเขินพายบนผอนมแทนลวงเมฆขลาดต่ำลุงฝาแสนถางเทพประดามาให้สักไทยเทพพาทุกเขปมาตอยหนาวดึงขึ้นกาบอกขืนแต่แล้วไม่มีใครจะช่วยได้ ต่อให้พระอิศวนที่เป็นใหญ่แสนทีบแสนทวีปนั้นมีความยิ่งใหญ่อยู่ทั้งแสนทวีปควบคุมไปเจตุโรกบาลทั้งสี่เ <c oughs> ทพไทยเทวาแทนหลวงแมกขลาดกกัมลงฝ่าแสนทางเทพพดาช่วยไว้ได้ทั้งนั้นมาเฮสัตถเทพาทุกทิบ ผูเป็นหลักเป็นใหญ่เทว ด, ดาฟ้าเด่งที่เป็นใหญ่อยู่ทุกทวีป ม, มาซอยหนาวดึงขึ้นบ่อขึ้นได้แล้วพูไปผูภาษาลาไปบางภาษาไทยไปบางกองให้อภัยเทพเปิเอ็นพ่อมเพี้ยนซอยได้บ่อขันเป็นห้องปีนองไล่เถิ่มหอมถ้ำทุกสําสัมตัดปากขานาดนกหอมทั้งฟงุ้งผูวปลาเต่าห้อยในาน้ำลูกโคด้าวแดนพงไผ่เทินผู้ใหญ่พลาแพนลานทะลายลมเหล่าเี่น ไม่มีใครช่วยได้ะะ้าขาดสินขาดทำแล้วแม้แต่สัตวาวาสิงนกนุ่ปูปลาเต่าห้อยอยู่ในน้ำบนฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขามันจะถูกทำลายพินาศเดี๋ยนี่มันเป็นโลกไหลตายกันแล้วกวาดกลัวกันที่สุดแต่ทำไมเราไม่ไปมองดูว่าอาการไหลตายคือตายอย่างกระทันหันเนี่ย มันงงมากในหมู่มนุษย์พอเจอเข้าหน่อยหนึ่งก็ร้องจ่ากนะมันตีกลับมาแล้ววันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงเร่งมนตวาดผีคาถากันไหลาตายอีกภาคสองเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่โตกันมากอีกแล้วแทนที่จะเป็นวันสองวันจะเลิกหายไปบางแห่งหนักเข้ากว่า น, นั่นไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วพวกผู้ชายัวผีแม่ยใหม่จะมาเอาไปเป็นโพอดีเป็นยันต์แตงเมียเมียใหม่ คนหนุ่มสาวขาดสินสอนมันแพงในเมียไม่นีทั่วเศ้าตายมีแหงตายเศ้ามีแหงไปยังไงแต่นี่หวาดกลัวเออเนี่ยนะคนเราขาดสินขาดทำก็หวาดกลัวกันอย่างนึ่งมีความเชื่อมั่นในตนเองมมีความเชื่อมั่นในพ้นกรรมแต่หากเราทำดีคิดดีพูดดีอยู่อย่างนี้แล้วจะไปกลัวอะไรประโรคก็ไม่หวาดกลัว ส่วนมากเราจะเห็นในผู้คนที่กลัวหลายตายเป็นคนไม่ค่อยมีสิ้นมีธรรมเป็นคนไม่มีรับภายในไม่มั่นใจในการดําเนินชีวิตไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในบาปในปุนในคนในโทษไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในพรนะรัตนตรัยไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในตนเองเพราตนเองได้ทําอะไรมาดีงามเพียงพอแล้วถึงกับพร้อมที่จะไปที่ไหนก็ได้เยอ่ที่ไหนก็ได้ในนี้มันเกิด โลกประสาทคุกคามกันทั่วทั้งบ้านทังเมืองข้าราชการจะถูกย้ายก็เป็นโลกประสาทจะตายกันขึ้นเพียงแต่จะย้ายไปทํางานที่อื่นในหน้าที่เก่านี่ก็หวาดกลัวกันแล้วเพราะความไม่มั่นใจพอไปที่อื่นี่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้ไหมมันจะโกงกินได้อย่างนี้ไหมอะไรต่างๆหร่อจะถูกไล่ย้อนหลังอสอบสวนเออทิ้งอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ทิ่งความรู้สึกเร็วๆเอาไว้เบื้องหลังหรือไม่ล่ะเดียกมันมีแต่สิ่งหวาดตัวที่แต่จะย้ายไปทํางานไม่ใช่ตายนะแต่พูดั้งเรื่ตายก็ยิ่งหวาดกลัวคนที่หวาดตัวในโลกนี้กลัวจะล้มจะตายหนึ่งก็คือกลัวในโลกน่าเอกด้วยกลัวว่าตายไปแล้วจะไม่ได้เกิดกลัวว่าตายไปแล้วจะตกในโลกทำมั่นใจว่าตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์มีคุณงามความดีไว้พร้อมสมวรรค์ดีกว่านี้หลายร้อยเท่าถ้าอย่างนี้มันจะอยาโดโหมัย ม, ม, มันเป็นสิยากร้ตายไมเลี่ยงนี่พ่อฮึ่มฝ่าวตายก่อนมูเขาคิวขันทีเดชไปอยู่สวรรค์เหมือนพันเอกสนองไปเห็นแล้วไม่อยากจะลงมาแต่นี้ไม่มีความมั่นใจไอ้ตัวความมั่นใจนี่แหละคือศรัทธาศรัทธาเป็นทรัพย์ภายในข้อแรงศรัทธาเป็นยาสารพัดอย่างคำว่าศรัทธาอย่าเพิ่งหลงไปถึงความเชื่ อ, มองมงายนะ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 ก็จะเห็นสถานนี้เตือนไปหมดเลยพาละห้าก็ขึ้นตนด้วยสัทธาอินเซลขึ้นตนด้วยสัทธาอ้าวอริย ม, มักมิวอ่อาพวกอารีย์ทรัพย์เกาะตั้งตน้นโดยสัทธาอรีย์วัตถิธรรมธรรมนิยมตะโสมความสําเร็จมีแก่นมีสารในชีวิตก็เริ่มต้นด้วยสัทธาสัทธายะสีเลนะจูพยังนะสัทธายะสีเลนะปะวัตติปัญญาญาจารเขนสุตเตนะจูพัง พระพุทธิจาท่านว่าผู้ใดมีสถามั่นใจมีสินขารประพฤติปฏิบัติที่ถึงพร้อมสะดับศึกษาในการศีสละมีสติปัญญาอยู่อย่างนั้นโสตาลิโสสปุริโสวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสปุบุรุษเป็นบันิตผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาหายาซาลิเทวะอัตโนบุคคลจมถือเอาสาละแห่งชีวิตของตอน ต, น, ตนในโลกในไว้ได้เดี๋ยวนี้ แต่เจอกต่เจ อ, เ, จ อ, อเพียงแต่เขาหลอกว่าผีไม่มองไม่มาจะมาเอาไปเป็นผัวคุ้ยวิ่งเทะเลาะทล่าเต้ น, ลนแลรงเต็นกาพากันไปซื้อเอาอยาทาเล็บมาทากันแล้วตาเต่ออายกสงนผีมันจะมาง อ, อปานนั้นบพราะบ่จักทําไมมัน้องหัจักอย่างอื่นที่มันยิ่งไปกว่านั่น เดียงแค่มา น, นุ่งผ้าทงนอนจะว่าเธอผีเลยคนธรรมดาโง่โง่กันอยังลูกโอ้หเป็นผู้ชายทําไมจะไม่รู้ในที่โง่กันมากไปกว่านั่งคออาภัยพิเศษตาจังช่วงจาะรนแรงเด่นี่นหนักไปแม้นแต่อยู่ในวัดพระแท้ๆแกยังทาเล็บแดงๆย่านผีเ ม, ม่ไม่นั่นเห็นไหมละ่ะจะเอาใครมาเป็นที่พึ้นทางจิต ท, ทางใจ ฟุงมุนะักปาดเจ้าก็าลงหอมคว่มเขดคือบทวดย์ตามแผนแกนเดิมวม่ได้ตั้งนมั้ยไม่เชื่อเลยคำสอนพุทธเจา้าแต่กลับไปเชื่อข่าวลมๆแรงๆข่าวคอมลอยโอ้คนโอราณท่านว่าพีสร้างหายพกจอบกินตับบอดทอข้นห้าวล้ อ, ลอกกินกันเทาน ผีมีอะไชจพวกจำพวกที่น่านกลัวที่สุดก็คือผีหลอกผีหลอ ก, อกเป็นผีดิบยังมีทันเด็กตายเที่ยวหาหลอกเอาเงินเอาทองเอาข่าวเอาของได้ยินเขาว่าใครมีอะไรอยู่ที่ไห น, นจะอยูกก่ใครอยูย่ใครจะไปติดต่อขอยืะ อ, อะไรอย่างนี้ขอเช็คให้แต่ก็เป็นเช็คปลอมถึงเวลารับเงินไปเบิกก็เอาเงินไม่ให้จะหาตัวเจ้าของเช็คเกาะไม่เข็นดีเช็คเด้งก็เป็นผีอีกชนิดนึงออกจากผีดิบจำพวกนี้นยังมีผีดิบจำพวกอื่นนั บ, ไ ม, นบไม่ถว้วนหลอกล้อนกัน ก็พากันววากันกลัวไปถากต้นไม้ยิ้วเอาต้นยิ้วมาทำเป็นลูปปลัดเ็กลูเอวัยวะเพศโอ้ยน่าอับอายสมเพจเวทธนาคนศาสนาเอื่นเขาเห็นคนไทยชาวพุทธเขาจะหัวเราะเยาะนี่ช่างบ้องตื่นในทางสติปัญญากันเหลือเกินเฮ้เฮ่าสงสารเอาถ้ากลัวตายจริงๆก็ต้องรอฟังค่าถ้ากันไหลตายมรดหว่ผีคงจะต้องพูดกันต่อไปแหละ แต่ก็ขอเคลียพื้นที่ให้กระจักกระจักกันอีกสักทีหนึ่งจะให้อะไรมาช่วยเทวดาช่วยไม่ได้ประหลัดขิดช่วยไม่ได้ทาเล็บแดงๆเขียนปากแดงๆเขียนคิ้วโกงๆใส่เสื้อยกทรงดัดผมสื่อผาทงซื้อสินมากใจเว้ยผีผีบ่ายยังน้อยจะมา ง, งอออกก็ดอกกระเดียขันทียา ก, กินขันกินใดอีลี่ขันบ้านแมนอิลี่มันจะมา ง, ง, งอปานนันป้อ อันนี้นต้องสารที่สุดบางบ้านไม่ได้รับแต่นโน่นนัดกันไปตามมาคงติ่งเินนโคบ้าอาจารย์พระทรงองค์จาอยู่ในวัดวาารามตั้งหลายช่วยกันประกาศธรรมของพระสัทสดาจุด ต, ตะเกียงให้แย่งแสงแจ่งฮงฟุ้งฟงบอดใบเาบบาาขาโบกอ่างเขาจุด ต, ตะเกียงไหวคนตาดีจะเห็นห่งดอกหน้าวัน พูดอย่างนี้แหละคนตาดีจะรู้คนมีสติปัญญาฟังแล้วก็จะรู้อย่างนี้เราเกิดโรคขึ้นมาสองชนิดคือโรคโรพะโทรสระโรคโรพะกับโรคโมหะโราอยากได้จะนอนไม่หลับกัดแกงกระวนกระวายก็เลยพากันเบียดเบียน จะขอเล่าความจริงให้ฟังว่าเดือนนี้มันกําลังเบียดเบียนเบียดเบียนธรรมชาติทางพงไพ่ปลาแป็นตายเกีื่อนอาเกล่อมก็น่นั้นนึ่งนี่ซัดสิงเน o w อยู่นามผ้ากันดินดันตายมังเป็นไปหมดทุกสัมสันสะปาขนาดนอกผอมทั้งฟงปูปลาเต่าห้อยใน้นามลูกโคด่าวแดนพงไผ่เทือนพาใหญ่พับผู้ไงพ้าแผนหลานตะลายหล่อมลาเล่น นี่ฟรีมือของมนุษย์ไปทำลายป่าเขาลำนาภัยจนนกไม่มีที่จะจับนอกจากนั่นก่อนึงสร้างความ ร, าร้อนให้แกะลอกจนปูปลาโยกไม่ได้น้ำเป็นพิษมีแต่สารพิษอยู่ในน้ำวีตั้งแต่เอซิสเตรนมีฝนตกลงมาก็เป็นพิษอยู่ในน้ำปูปลามันก็ไหลาตาย เดี๋ยนี่ปาลาไหลตายเห็นไหมเลรออยู่ดีๆ ก, ก็แ ด, ก ก, ดกก็แดกก็แดกขึ้นมาตายพวกได้ยังไม่ตายเป็นมะเร็งตายบาดเจ็เบื่อชีวีลอยเฉลอยเฉลยนี่ปูปลาเต่าหอยในน้ำพากันตายลูกโคดาวแดนไผ่พรพงเทืนอนาต้นไม้ต้นไหลาพากันไหลตายดงควงใหม่นี่ไก่บ่อใดสั่งบ่อนยังห่วมห่องดงกวางเป่าแผนต้นไม้ก็ยังตายทันทีเลยไหลตายเดีนี่มีเรื่อยเขื่องตัดกันนอกจากนั้น เมื่อมันตายเข้ามากมากผู้ใหญ่พยาแผ่นลานถลายหล่มเราเรียนภูเขาก็ไหลาตายกว่าแต่คนเลยยืดดีขุดภูเขาเอาไปทางภูเขาทางจนเตียนทำไหรทำสวนทำให้ต้นไม้ตายก่อนที่นี่ไม่มีอะไรยึดฝนตกมาค่ะชั้นล่างน้าําก็ไหลภูเขาเปื่อยละลายเลยภูเขาไหลาตายบ้านกระทุ่นนะครสี่ธรรมรัชปักใต้บ้านเราภูเขาไหลาตายมาก่อนแล้ว คนไหลายตายมันก็มีมาอยู่อย่างนี้แหละสมัยโบราณเรากอตายกันโย่แต่เดี๋ยวยนี้งั้นมันจะตายมากกจำไว้ให้ดีมันมีเหตยุยทํามาเหตุตุพวาสัมทั้งหลายมันมีเหตุเป็นที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังแต่นี้สัตว์ตั้งหลายเขาไหลายตายมาก่อนต่อมาต้นไม้ก็หลายตายต้นไม้หลายตายแล้วสัตว์ ต, ตั้งหลายก่อนหลตายมันเต่าพุ่งเ้าไปูปลาที่นี่ก็หลังจากนั้นพูเขาไหลตาย ไม่มีต้นไม้ยอดฝนตกมาละลายอยา่างบ้านกระทูลของเรายังไม่พอภูเขาแข็งแข็งภูเขาหินเจาะลองไปใส่ดินไดนามายระเบิดไดนามายเข้าไปช็อตระเบิดโตูมภูเขาแตกกระจายอ้าวรถตักตักใส่รถ ด, ด้ำสิ่งขึ้นไปใส่คัตเชอร์แผ่นโม่ออกมาจ่ยอยออกมาเจาะหินฝนตลบกบตลาดเอาหินมาบดมาฝ น, นดินดินเอาดินมา ท, นทําปูนซีเมนต์ที่นี่ หมดเขาเป็นลูกๆโผล่อูนซีเมนก็อขาดแค้นไม่มีไม้ที่จะทําบ้านทําช่องเทีนก็พาการเอาดินคือเอาปูนซีเมนนั่นแหละมาทําบ้านน้าช่องปูนก็หมดขาดแค้นทําไม่ทันนะวันที่ภูเขาจะละลายไปฝุ่นตลบกบตลาดที่จ่อยปูนจ่อยฝุ่นอะไรต่างๆนั่ น, น, นกลอยฟ่องกันไปในอากาศอ้าวพลังงานนิวเคลียสานพูโตเนี่ยมเอ้ยพลังงานพวกแก๊สในอากาศก่ด็ดีพวก น้ำมันต่างๆจากโรงงานอัดสร้างกำรรจากถอดไอเสียของรถของเครื่องยนต์อะไรต่างๆมันจะไปไหนมันก็ลอยขึ้นไปรวมกันข้างบนก็รวมตัวกันเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนฝ น, นก็มีแต่พิษแต่ภัยตกลงมาที่นี่ถือต้นไม้ต้นไม้ก็ตายไม่ต้องมีคนถางเนยวนี้ต้นไม้ในประเทศจีนที่เมืองฐานหินแถบมณฑล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 แล้วก็ไม่ค่อยเจริญนี่มันก็จะหลายตายเหมือนกันอย่ามากล่าวอะไรทั้งก่อนเมื่อปูปลาต้นไม้อะไรตายไปหมดแล้วสัตวาวาสิ่งไม่นี้ที่จะอยู่จะกินความร้อนในโลกสูงขึ้นความร้อนในโลกสูงขึ้นตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายของเรามันร้อนถึงขนาดนี้ไหมมันไม่ร้อนหรืขนาดนี้ความร้อนในโลกมนุษย์นี่ร้อนสูงขึ้นหน้าร้อนก็จะยืดมากขึ้น เดี๋ยวนี้ประเทศอุตสากรรมทางประเทศอเมริกาก็ดีทางประเทศกลุ่มยุโรปก็ดีพากันหวาดกลัวภัยต่อความร้อนภัยของอากาศเป็นพิษนอนตายนั่งตายยืนตายไหลตายพรั่งมั่งค่าก็ไหลตายเหมือนกันตายจากโรงงานอุตสาหกรำตายเพราะความเครียดเต็งกําไรปรารถนาที่สุดนี่แหละภาคอีสานของเรามันร้อนกว่าภาคกลางร้อนกว่าภาคใต้ปัญหาใหญ่คือหนึ่งอากาศ เป็นพิษสองสภาพแวดล้อมเป็นพชษความร้อนของกายในร้อนขึ้นเมื่อแล้วความร้อนของใจเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเพราะความอยากอยากอันเกิดมาจากความโลภโลโภทำมานังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแห่งทำตั้งร้ายเหมืออยากได้อยากมีอยากเป็นก่ออยากเด่นอยากดังก่อทะเยอทยานหล่อแหลนดินร่นยื้อยังตะแคงหาอยากได้สิ่งนั้นมาอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ เต้นโตนโยนไปเมืองนอกเมืองนาอพอจะไปได้ไปเอาไร่เอานาไปจำนองเป็นนี่เป็นสิ่งก็อยอมเราชอบเสียงไปตายกันเอาดับหน้านี่คนไทยเราชอบเสียงกันอย่างนี้คนอีสานเราชอบเสียงกันอย่างนี้ หลังจากนั้นหากมันไม่ได้ดังใจการทํางานหนักๆที่เคร่งเครียดตลอดการทางตายจิตใจก็คิดหนักทํางานหนักทางจิตทางใจทํายังไงจะได้อย่างนี้ทํายังไงจะมีอย่าง น, น่นเป็นหนี้เป็นสินถูกบีบถูกค้นงานหนักทางตายงานหนักทางใจที่มันคิดนอนก็แพบจะไม่หลับพลิกไปพลิกมาพอจะหลับไปได้บางทีหลับล้าไปเลยยิ่งได้ข่าวว่าผีแม่ไม่จะมากินหัวเขาไปอีกยิ่งกลัวจะตายจากโลกจากเมียจะตายจาก สิ่งที่ตนเองรักเึงหวงเกิดโรคอุปท า, านซัมซอนแอทแทสแอทแทสดิซสขอพูดเป็นภาษาฝรั่งหน่อยเรียกว่าโรคความยึดมั่นถือมั่น คือเกินโอ้ยตายขักขาดบาดหนึ่งเลยยิ่งย่านตายคิดไปคิดมาเป็นกวนกวายจิตใจตกต่ําเกิดโลกแทรกซ้อนเลว่าโลกทางใจเจตสิโกโลโกโลกทางจิตที่ก็มาควบคุมเข้าม า, อ, ม า, า, มาอันเป็นผลมาจากโมหะอันเป็นผลผลของอวิชชาก็เลยเกิดมาเป็นความดิบมันเท่มันว่ามั น, มนจะมีอีนี้เห็นอีนี่พี่มี่มยงไปจะมาเอากูขักขาดบาดหนึ่งกูบอนอ น, อนหัวมันดอก พีกไปพีกมาม้อยหลับไปฝันเห็นแม่ม่ายมาเอาเอไหลจะตายมีคนปลุกขึ้นมาฟื้นก็มาบอกกันต่อไปเมื่อคืนมาดึงขาคอยแล้ววาจันน์ว่ายพากันย่านเบิดบ้านเบิดเมืองบานนี้เอาประทานใหญ่ขึ้นควบคุมคนโบราณกันว่ะ ตื่นมวตื่นควายรั้งกันไว้ตื่นประชาเทแบปะตายแบบกระต่ายตื่นตู้มจอมปวกจอมเดียวขี่ม้ากองเดียวถ้าใครไปเกิดกลัวขึ้นมาหาักดอกไม้บูชาน้คนนี่ก็บูชาคนนู้นก็บูชาเรียกว่าพลังงานทางจิตพลังงานแห่งความเชื่อมันได้ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดนีใครสักคนหนึ่งเดินผ่านไปไม่เชื่อไม่ทําไม่ทมําตามเชื่ออยู่ไม่ทําตาม แต่มีความหวาดกลัวเรืล็กอๆอาจจะชักนิ่นชักงอตาตั้งขึ้นมาเพราะอุปทานภาษาพระเรียกว่าอุปทานอุปทานอุปทานนี่แหละเป็นตัวทุกปัญจุปนานาขันธาทุกขาหวาดจริงๆขันละง่าอุปทานคือตัวทุกทำไมมีอุปทานหมดกี่เอ็มหมดความทุกไม่เป็นเจ้าของความเป็นความตายอะไรเลย พระพุทธเจว่าชาติปีติทุกขาเจลาปีติทุขามรนามปีติทุกขาโสกับปริเทวทุกขโทมัสสุปายาสาปีติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ตั้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ผะผ่าจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นอนเป็นหนิเป็นสิ้นเสร็จแล้วท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้ยังมาเป็นทุกข์ตัวใหญ่มันอยู่นู่น ปัจจุปนนาถขันธาทุขาว่าโดยย่อ อ, อุปท า, านขันธ์ทั้งห้าขันก็คือกลุ่มของกายกลุ่มของความรู้สึกอืมเวทนานั้นกลุ่มของความจําได้หมายรู้ความสาคัญมั่นหมายกลุ่มของความคิดปรุงแต่งกลุ่มของความรู้ทางตาทางหูทางจมงูกทางลิ้นทางกายทางใจรวมกันเรียกว่าห้ากลุ่มห้าขันขันแปลว่ากลุ่ม the five group of a g g a กรมของสภาพจะมันเป็นอย่างนั้นคือพูดง่ายๆย่อลงมากต่ตายกับใจชิดมันเข้าไปยึดอุปทานยึดในกายนี่ยึดในใจยึดในความรู้สึกนึกคิดยึดในความปรงแต่งว่ามันจะเป็นอีหลีอุปทานน็คือความยึดมั่นภาษาไทยว่ายึดมั่นถือมั่นภาษาอังกฤษว่า attachment ขออภัยว่ามันเล่นหลายภาษาอันพวกนี้เนี๋ยมันมากินหัวมันก็เลยเป็นทุกข์กันแหละ ขึ้นนาเขาว่าจะให้งูพิษกับตายนักโทษที่ถูกจับไปให้งูพิษมันกัดตายก็เลยเอาน้ําไผ่ไปเสียบจับเข้าไปในหัวเท่านั้นเองมันสลบมันตายไปเลยอ่อนเข่าไปเลยนึกว่างูของูตองอา่างจริงๆอันก็คือกันย่านหลายนอนบลับกระสับกระสายหลับตาลงไปก็เลยฝันเห็นแม่ใหม่หมอิลีวะไอ้ผัดว่าสมอลไหลตายดีแท้ภาอีสานเราจะต้องร้อนกว่าภาคอื่น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 เคยจะตายอย่างกระทันหันคนโบราณพนว่าเสียขอน่อนเข่าสามหอมโพสิอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดคนมีศิลปมีธรรมกันขนาดไห้ถ้าคนมีศิลปมีธรรมไม่มีทางที่จะหวาดกลัวเรื่องไร้ตรงไรงไ้ตายผีแม่หมายเผาะหมายต่อให้พ อ, อยายเมย์ไงผีแม่ห ม, มหมายมาหมดทั้งครอบครัว ก, ก็จะไปกลัวอะไรมันใครไม่ขาก็ต้องตายชีวิตตั้งปริโยมาลนังปริโยสานังเมจีวิตตั้ง ความตายชีวิตของเรานี่มีความตายเป็นที่สุดรอบแต่ตายเร็วตายช้าตายหนุ่มตายเท่าจาาไหลตายหรือตายสดตายแห่งมันตายด้วยกันทั้งนั้นเข้าใจอย่างนี้ ก็จะไม่ตือนตูน้ไม่กระบอกาอกาแวกโอ้ยอันนี้เป็นขบวะแพรพ่แวกตือนเพราะความไม่มั่นใจไม่มั่นใจในบุญที่ตนเองได้ทําเอาไว้มีแต่ความหวากวดกลัวต่อบาปอกุศลทําอันลาโมกตายไปแล้วกูจะตกนรกขุมไรเนอะขย่านตายไม่มั่นใจ ถ้าเราทำบุญทำทานไปแล้วทำเมียอนี่โลกโยนี่แต่ตายไปแล้วก็จะพบกันบนสวรรค์เพราะเราได้ทำคนงามความดีร่วมกันมาอันนีบ้บ่อบได้ทำนำกันจากเธอสิ่งที่ดีที่งามก็าหวากลัวตอมเไม่มีสิ่งไม่มีความมั่นใจทับภายในเห็นไหม สภายหนอกมีเงินมีทองเข้าข้องเงินคำกับเกลียวยามไหลตายมาช่วยอะไรไม่ได้โว้ยเสือว่าพญ า, ามัจจุราชนี่บ่เห็นแก่เงินคำไทยพมิ่งเงินเกลือสิไทยเอาบะมี่ได้แข่เลยสรมรคุณเต็งมาตําทีนนี่บปไทยเอากันตายได้บ่แค่ยาทาเล็บจะเอามาทาไว้กันตายอย่างนี้มันจะใช้ได้ที่ทไหนนี่อยากให้ทั้งดังหลายได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มากๆ พระพุทธเจ้าของเราท่านได้ดตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีสิญย่อมไม่เกิดวิปติสารวิปติสารคือความเดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอะไรอะไรจะเกิดขึ้นบุคคลผู้มีสิญไม่เกิดคนผูไม่บุคคลผู้มีสิญนั้นย่อมไม่เกิดวิปติสารคือไม่เกิดอาการหวาดกลัวเดือดร้อนใจเพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าอันใ น, น, นทสงของสิญนี่มีจํานวนมากในขณะที่ท่านได้เดินทางผ่านเมือง หมู่บ้านปาตลีคามบ้านปาตลีคามเล็กๆอยู่ชายฝั่งแม่น้ำคลงขาชายแดนติดต่อกันระหว่างโกศลกับคว้ยมคตทางพระภิกษุสามเณรเดินทางเรียกว่าวัดเขื่อนที่1700พันเจ็ดร้อยพระพันสห้าสิบรูป คนผู้เดินตามประพฤติทำกินเดนคื อ, อกินเศษอาหารจากพระแล้วก็ทำความเพียรต่อเมื่ออาตมาพาญาติโยมเป็นพันๆไปปฏิบัติทำปฏิบัติการวัดเกื้อเทีเมืองอุบล น, นั่นแหละไม่ผิดกันแต่ท่านเดินเอาเราเมันได้ขี่รถบา้านไปถึงบ้านปาตาลีคามเพื่กํำลังสร้างเมืองใหม่พระพุทธเจ้าก็เลยลาพิสุทิทางหลตรงนี้ ต่อไปจะเป็นดินแดนที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นที่นั่งรองแก่พกสินค้าของพ่อค้าต่างหลายจะเป็นฮาเบอร์ทาวเวอร์ภาษาฝรั่งจะเป็นเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ต่อไปจะเป็นดินแดนที่จเจริญรุ่เรงเรืองมากที่สุดเมืองนี้จะเป็นราชธ า, านีต่อมาก็จะเกิดอาการเสื่อมเพราะน้ําเพราะไฟเพราะลมที่นาดเนื่องจากไม่มีสินทำแตกสามากรีกันและท่านจะอธิบายเรื่องโทษของสิงิบัติ ผู้คนที่มีสิิบิดายอยี่ด้วยกันมากๆไม่มีสินด้วยกันนั่นจะเกิดอุดพกภัยน้ําท่วมจะเกิดอคัคขีไฟไฟไหม้วาตภัยลมพัดแล้วก็จะเกิดความแตกสาบนขีกันพร้อมกันนั่นทรัพย์สมบัติเขาเหล่านั้นจะพินาศเพราะไฟพินาศเพราะลมพินาศเพราะน้ํน า, าหลังจากนั้นตัวเขาเองก็จะมีอาการต่างๆแล้วท่วานก่อแสดง คุณค่าของศิ่สม บ, บัติบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยสิ่งรับสมบัติเขาจะไม่พินาศด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมแล้วเขาจะเป็นผอมมีความสุขเขาจะเป็นผู้มีความสงบเยือกเย็นสีเลนสุขตงยันติจะมีสุขได้เพราะสิ่งสีเลนพคะสัมปทาโพอคะทรัพย์สม บ, บัติไม่พินาศก็จะมีขึ้นืลังจากนั้นสีเลนนี้ผู้ติงยันตีจะเย็นกายเย็นใจรอเพราะสี่ จะไม่มีอาการล้มทาการละไม่มีอาการไหลาตายในอํนนานาจของสินแล้วนี้โดูเถิดคนที่ไหลาตายมีสินไหมลองสอบถามครอ บ, บครัวบุคคลผู้ที่ไหลาตายสินนี่คืออะไรสินคือความปกติปกติกายปกติใจปกติวาจานี่เพราะว่าแวลใจไม่ปกติย่านตายก่อนหมูได้อวหนื่อสินี้ก็เจอกระ เ, เจินส่วนามากคนจะ ผู้ผู้ที่ไหลาตายกลัวตายหนึ่งมักจากวัดโบเขาพระเจ้าบอนอบยันเป็นยันตายบางทีที่เข้าไปในวัดก็ได้แต่ความโง่โง่คือไม่มีความกล้าหน้าทางสติปัญญาสเปธมารปัญจุตระรมตั้งหลายมีปัญญาเป็นยอด สินอยู่เนื้อฐานเนื้อสินขึ้นไปมีสมาธิเนื้อสมาธิือ่อนไปมีปัญญาเดี๋ยนี้โพถึงสมาธิก็ไม่ยิ่งไกลห่างยิ่ไม่เคยทําเรื่องปัญญาก็ยิ่งไม่รู้เรื่องอีกปัญญาที่รู้จากสมาธิไม่ใช่ปัญญาจบปริญญามาจบสิบปริญญาอาจจะยังโงก่ก็ได้คือปคือความรู้มันเฟิม่มฟางไฟมันมืดโยทำกลางความสว่างก็ได้แต่ ปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นพระอรหันต์สมัยโบราณอ่านกอไก่เท่าก้อนปั่นกระบาดดอกเป็นพระอาเซขะบุคคลผู้พ้นจากการศึกษามีความรู้ทีพ่พอดีสําหรับดับทุกมีความรู้ที่พอดีสําหรับทําลายความยึดมั่นถือมั่นมีความรู้ทีพ่พอดีสําหรับที่จะมองเข้าไปเห็นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตามีความรู้ที่พอดีโดยไม่ได้เรียนที่เห็นเชันว่าอันนี้คือทุกอันนี้เหตุให้เกิดทุกอันนี้ความดับลงของทุกในหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุก พวกคนเหล่านี้เป็นพระอาหารหันต์พระอาารยิยะเจา้าในสมัยพุทธกาลท่านอ่านหนังสือไม่ได้ดเด็กเดี๋ยวนี้อ่านได้ภาษาอังกฤษภาษาจีนว่า speak English very good ัวภาษาฝรั่งกับเก่งผัวภาษาในภาษาจีนได้ทางนั้นแต่กิเลสมันท่วมหัวโลภโทสะโมห์อ่านนี้เลยผมมืดทํากรรมความสว่างอันโทยทาโชติมัทิตะเฮยะเมื่อาาขาดตาปัญญาที่ถูกต้องก็เยียบลงไปแม้ไฟที่สองทางปาปานิกรุติโม หาทําชั่วทําบาปกันเพราะความโง่ในะทีวิตก็เดือดร้อนตนเองไม่มีสิญจิตใจไม่ปกัดติกลัวสิ่งที่ตนเองทําไว้ในโลกนี้กลัวจะไปตกนรกในโลกหน้าอย่างนี้ก็ยิ่งหวาดกลัวกลัวตายนั่นนะคือกลัวไปะจะไปอยู่ในที่ไม่ดไม่งนะามแต่ทาคุณงามความดีมันมีสินญ์จะทํมามั่นใจไม่เป็นผู้เน่าในเปียกแฉะบอเน่าในเปียกชุ้น อันนี้คิดไปทั้งคืนทั้งวันมองไม่เห็นสิ่งที่เนื้อผ้ภาภูมิใจที่ได้เกิดมาทําอะไรไว้แก่โลกแก่ซึ่งคมแก่บานแก่เมืองแก่เพื่อนแก่ฟูงนังคิดนอนหาหาคุณงามความดีในใจตนเองไม่มี ม, มีแต่คุณงามความมีแต่คุณเลวความชั่วคิดไปมกุยญานตายเลี้วเว้ยเป็นยัางสิบวิญญาณยิ่งกลัวตายก็เกิดอุปทานแอดแท้ขึ้นมาฝันเห็นแม่ไม่เลยบาทเนี่ มันดึงแข้งดึงขาเอ อ, เ อ, อคอมอยนี่ท่านจึงกล่าวว่าคนเราขาดสินและนี่พระพุทธเจาหันตรัสว่าเมื่อขาดสินแล้วก็จะเกิดรูปปฏิสาลเดือดร้อนทรัพย์สมบัติจะพินาศไปเพราะไฟเพราะลมเห็นไหมสิ้นขาดขอนว่มีหุ่งต่ำสูงห้องทำเจ้าองคุฑโทเกี่ยงมิลลินคนโบราณท่านบอกอย่างนี้นเมื่อสิ้นขาดขอนว่มีหุ่งต่ำสูงประจำั้น เนี่ยเมื่อโมหาหุม่มโลกาสิหอนแห่งหุ่นแล้ววะสันเนี่ยมีสิ้นขาดขอนว่ามีหุ่นต่าสูงสิ้นขาดหม่ไม่รู้ต่ารู้สูงรู้บาบู้กรรมตั้งบริษัทก็มาส่งคนงานไปทํางานมันจะเป็นจะตายยังในกูใหม่รอคอยกูได้เงินมาจากเมืองไหนมันไม่ปกติทางใจแล้วมันจะเอากันเป็นเจ้าเป็นนายขึ้นมาก็จะจับจะจองผิดนิดผิดน้อยกินให้มากๆถ้าจะมีทางกินถ้าเขาเงินฟาดก็กลัว วายผิดิดไปโหลดบัตรเอาเงนินมาให้คอยซาบบายเน่สินขาดขอนไม่มีหุ่นต่ำสูงนักป่าเจ้าก็ลงหอมค่วมคิดสิบตัวตามแผนแกนเดิมวินายตั้งวินัยไปว่าระเบียบระบบไม่อยู่ในระเบียบระบกบกฎบทกฎหมายไหนเลยเป็นเจ้าเป็นนายก็ตามเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์องค์เจา้าไม่อยู่ในระเบียบวินายขอให้กระป๋าเจ้าได้ขึ้นมาเนี่เรียกว่าสินความเป็นปกติแห่งใจแห่งตายมันไม่มีขึ้นมา ในที่สมกวาดกลัวพอได้ข่าวร้ายว่าตนเองจะตายมันก็ยิงหวาดกลัวที่นี่ก็พอดีเลยเป็นกระต่ายเตือนตูมเขาเอาอะไรมาหลอกมาหลอกก็ต้องเอาหนี่แล้วข้องทำเจ้าองคุฑโทเกี่ยงมิลินดินในฝ่าแดนดาวกาเดือมง้วยแล้วจะทำยังไงดังกล่าวแล้วยิ่ง ม, มีความโลภมากก็ยั่งมีโรคต่างๆมีความโลภ ก, ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตสิ่งก็ขาดแขน ทำยังไงจะได้ทำยังไงยังมีเอารัดเอาเปรียบกันยังไงออนรวยเอาเปรียบคนจนคนเข็มแข็งเอาเปรียบคนอ่อนแอเจ้านายที่มีอาพิเิษอิทธิพลอำนาจโอกาสว่าสนะเอาเงินเอาเปรียบฉ้อหลาดบางล้วงเงินพันเงินอะไรออกมาก่อสชอเออยีอ่สานเหี้ยวอะไรเอยออกมาทำยังไงข่าบัระจานี้จะได้เปอร์เซ็นเท่านั้นเปอร์เซ็นเท่านี้เปอร์เซน็นกินมันเข้าไปเมื่อกินเข้าไปแล้วปญัญญานตายบาดป เจ้านายบ่เห็นผู้ลักผู้ใหญ่บ่เห็นญานยมพระบานเห็นญาญผีแม่ไม่เห็นโอ้ยดีเวมาบีบกันทำอย่างนี้แต่ก่อนอาจมาไปเทศในคุกเมืองหนองคายโพ้ยอ้คนตั้งสี่ร้อยกว่าคนผู้ชายทั้งนั้นหัวเป็นจิมจิมหน้าสลอนผู้หญิงมีอยู่สิบสามคนสิบสี่คนแต่บัตรนี้ มาดูที่วัดทีว่ามีเจ้ผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยมีเดียวนี่ผู้ชายญ่านต า, ตายหูจะเขาวัดไว้หาบหยาบห ย, ย, ย, ยาบน้ำท่วมทงจึงเห็นหนาหนูโค้น้ำท่วมหู้จึงเห็นหนาชีรอก็ดีเหมือนกันกลัวจะตายแลว้วก็เขาวัดก็ยังดีกว่ากลัวจะตายแล้วถากลูกประลัดเข็งเดียวนี่เอาหมด ประลัดทิกก่อเอาเล็บแดงก่อถ้ายกทรงก่อใสผมก่อดัดสิ้นก็ใสอ้าวเขาวาดก่อเขายาดได้ได้ซ้ายสิ้นอาแหลมมาที่วัดนี้ขอให้เป่าหัวให้แน่บอกเป่าว่าเป็นไม่ได้เรียนมนต์เป่าหัวไปเปิดพระไตรปีดกสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบหกน้าไม่มีคาถาเป่าหัวตรงไหนไม่มีคาถาจิ่มคาถาเจิมตรงไหนไม่มีคาถารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกะมกัมเสกกะบ้านตรงไห น, น แต่เราในอุตริวิถฐานหาทานจะกินหัวกันเอาไปเอามากัย่านตายนำกันพระสงองค์เจ้าบางแห่งทาเล็บแดงทาปากแดงแค่วายถือใจนั่หล่นเลยก็มีปุ้ยไปกันไ่สติปัญญาตื่นเขินกันเหลือเกินเดี๋ยวนี้จะขอบอกให้ทราบว่าอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยเมื่อมันขาดศีลเมื่อมันมีความโลภมันก็เอาเปรียบกันเมื่อเอาเปรียบเวลาปน้ำก็เกิดขึ้น เอาขอซอยให้ฟังสักนิดหนึ่ ง, งว่าเมื่อขาดศินละทรัพย์สมบัติจะพินาศเพราะไฟเพราะลมเพราะน้ําไฟภายนอกไม่เท่าไหรไฟภายในน้ําภายในลมภายในที่จะทําให้ทรัพสมบัติพินาศผู้ไม่มีสินไปกินเหล่าน้ําเหลาก็จะพัดเอาเงินเอาทองคลอง่านเมาแล้วหน้าใหญ่ใจโตเป็นเจ้าเป็นนายเนี่ยไปนั่งกินในครับในบาร์ในพัตาานาการเงินเดือนออกมื่อเดียวมืดเกี่ย ง, งแง่ละอีกยี่สิบเก้าวันกินไหนโกงบ้านโกงเมืองอันนี้ไม เอาแล้วโกงบ้านโกงเือนเงินอะไรออกมาเงินพันเงินอะไรออกมาหาทางกินเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์นกินแล้วก็มาซื้อเหล่าเมาชาแทนที่จะตั้งรักตั้งตัวเออเชิงจากเครื่องกลของทางส่วนหลวงส่วนรัฐเอามาใช้ในงานส่วนตัวให้มากๆแล้วก็ย่านตายมีจิตใจมันไม่ปกติมันไม่สดจริตมันก็ไปสู่ทุกขติจิตใจเศร้าหมองจิตเตะ สังกิริเททุกขติปติการขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังทุกไปว่าชั่วคติแปลว่าไปไปว่าถึงทุกขติแปลว่าไปสู่ที่ชั่วไปสู่ที่ยากไปสู่ที่ลําบากตนเองทําไว้ไม่นี้จิตใจมันก็เศร้ามองนอนก็ไปที่ชั่วยืนก็ไปที่ชั่วเดินก็ไปที่ชั่วนอนทุกหนังทุกเนอเดินทุกเองมันก็ตายทุกยังไม่ทุกก็ต้องยังไม่อะไรมาถึงก็กลัวตายไว้ซะก่อนเลยว่าทุกหวงหน้าทุกฟรีฟรีนี่เห็นไหม ไม่มีสินทรัพย์สมบตัตมันจะพินานไปเพราะไฟไฟอะไรไฟภายในไฟภายนอกจิตใจมันร้อนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตเผาใจให้สแสดงอาการออกมาให้เป็นทุกข์เห็นไหมทรัพย์สมบัติคือความมั่นใจทรัพย์ไปว่าความปลื้มใจภายนอกปลื้มใจภายในภายในก็ไม่มีสิ่งที่จะปลื้มใจเพราะว่า ตนเองทำไม่ดีไฟมันไห่หัวใจซะแลว้ว ไ, ไ, ไฟไฟภายนอกเอาไฟบุหรี่ไฟกัญชาไฟยาฟินคนไม่มีสินไปเอาสิ่งเหล่านี้มาโบมาแตบไม่หัวหมอดเงินทองมีเท่าไหร่ไม่พอขอพ่ อ, พอขอแม่ไม่ได้ลักเอาของพอ่อของแม่ลักของชาวบ้านใช่ไหมไฟบุหรี่ไฟกัญชาไฟยาฟินที่โศกันเข้าไปนั่นนหละโลกโบมันไหมหัวขอพ่อฮอตแม่พ่อแม่นอนหลับลักเอาเงินเอาทองพอ่อแม่ไปซื้อ ก้าวไปซื้อเทนเนอร์ไปซื้อยาฟินเหรอผมไปซื้อบุหรี่สุขไปอย่างนั้นทราบสมบัติพิณนานไปพ่อนเนิ่มน้ําเหล่าขวดละถท่วไหลกอกินแหงถั่วไห่ก็ซื้อนาใหญ่ใจโตซื้อแล้วใหม่กู้ใครทั้งนั้นกินแล้วก็โผูดลามตามมีเรื่องมีราวครั บ, ฟฟาาถ ร, บรถแต่ชนกันตายชนเสาไฟฟ้าตายคนดีๆเมาเหล่าทําลายสติตนเองครับรถไปหรถเหยียบหัวตายชนกันตายหางใหญ่ต่อใหญ่ ต, ญตนเองวิ่งเป็นเจ้าถานนคนเดียวอย่างนี้ เงนมีสินไม่มีแล้วมันก็ทรัพย์สมบัติพินาศไปเพราะลมลมอะไรลมร้ายหนอพัดบานพัดช่อ ง, องห้องห้องเมื่อม่มีสินทําลายปา่าธรรมชาติรุนธรรมชาติตา่างๆตดน้ำลำําคลองเหือแห่งความร้อนของโลกสูงขึ้นลมก่อแปรปวนพัดไปทางนี้ทั้งนี้ก็ไปทั้งโน้นก็ไปเป็นลมลาวเลี่ยนกันไปนอกจากนั้นยังมีลมภายในลมปากของคนอาสิงคโปรดีเขาว่าหาเงินได้ง่าย ที่ซาอุดีอาระเบียดีก็พากันไปลมพัดตรงไหนไปเลว้วศีนบังไหวน้ำไซบอหันเห็นเส้นขึ้นซ้ายกงธนูแห่ไหวใจเลีว้วหลอนท่านกำลังเสียเป่าแต่หอกเจ่ า, าวนหูโมกาเล่นเอาไหลเอานาไปจํานองถูกลมหลอกลวงเขาพัดเป่าหูเป่าหางอ้าวเดยวประเทศอีรักเดืปเอรดประเทศอีล้านดีดดดดดดอ้าวเดืวลิเดียดีเดืออ่องประเทศรูมาเนียประเทศ อะไรว่ากันไปไม่เคยได้ยินก็ไปเอามันหลอกมันลวงนี่ก็จะไปเกาะกลว่มกันนี่เป็นอยังไงเมันก็ถูกว ม, ว, มวมหลอกลวงพัดไปอ้าวเดี๋ยวอาจารย์โน่นดังเป่ามาแล้วเลขดีเลขเด็ดอ้าวพากันไปซื้อซองเลขมาซื้อบุกปลาพาเขาขึ้นด่งขึ้นโอนฮักกูบ้าอาจารย์ไปหาลมหลอกลวง ม, ม, ม, มันพัดหูยาวกันไปเป็นโยดโยดแล้ก็ชิบหายวายวอดกัน หาความอบอุ่นเย็นใจไม่ได้เพราะไม่มีสินเมีเดือดร้อนเมียไมมีสินเพราะเดือดร้อนลูกไม่มีสินไม่มีความปกติกายใจเพราะแหม่เดือดร้อนสิ้ขาดขอนว่ามีหงุดตังสงเห็นไหมใครจะมาช่วยเทวดาฟ้าดินอะไรก็ช่วยไม่ได้ปัะปุบันเพื่อนไอ้ซวนแสนทีบจะตุโลกหลังล่วงลําซอยบ่อขึ้นถ้าหากเราไม่มีสินไม่มีทำความโลบ จนเกิดไม่มีสินเอารถเอาเปียบร่ำรวยแข่งกันมีเท่าไหร่แข็งกันเอิดเกิดอาการแข่งแข่ง แ, งแดงชิงดีชิงเด่นประเทศญี่ปุ่นไหลาตายมากที่สุดแต่เขาไม่เือหากันเฉยๆหนังสือเพียงพาดหัวข่าวมากแล้วแต่ปีกายนู่นปีก่อนนู่นปี น, นี้ยิงมากขึ้นประเทศใดที่เจริญมีความโลภมากประเทศนั้นไหลายตายมากชาวญี่ปุ่นเป็นโลกปอกุรบายโอ โรคภาษาญี่ปุ่นบอกโคราชิโคราชิแปลว่าไหลตายบอกภาษาบานฮงไหลตายคือง่อยายๆว่าตายเพราะความเครียดตายกระทันหันภาษาฝรั่งว่าบอกอุลไบโอเดือนนี้ญี่ปุ่นตายมากด้วยโรคอันนี้ตายเพราะความเครียดตายกระทันหันตายเพราะงานหนะักเพราะเต็มไปด้วยการแข่งเล่นจริงดีจริงเด่นสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน มันลามปามมาู่บ้านโสเมืองของเราเมืองอีสานของเราได้๋ยนี้แข่งกันไปเมืองนอกแข่งกันมีแข่งกันเป็นแข่งกันมีโทรทัศน์แข่งกันมีพัดลมแข่งกันมีรถไถนาแข่งกันมีรถอีแตนไม่ไมีเงินก็เอานาไปจำนองได้เงินแล้วก็เอามาซื้อแล้วก็หมุนที่นี่นอนไม่หลับ ข้าซับกระสายให้จังไรเสด็จเงินใช้หนี้ใช้สินอ้าวนี้เพียงแข่งกันเป็นหนี้เฉยๆกอดไหลตายขนาดนี้ถ้าไปแข่งกันมีกันเป็นอย่างญี่ปุ่นปีนี้ได้กำไรร้อยล้านคนอื่นเขาได้มากกว่าเราร้อยหสิบล้านสองร้อยล้านเราจะต้องเอาให้มันได้สามร้อยล้านเอาแข่งกันคนญี่ปุ่นสังคมญี่ปุ่นเต็มไปด้วยการแข่งขันสอบก็แข่งขันเดียวเนี่ยจะไปเป็นครูอ้าวรับตั้งหนึ่งร้อยคนเข้าไปสอบตั้ง สี่พันห้าพันคนเป็นหมื่นคน ร, บบระบบเป็นการแข่งขันที่มันบีบคั้นประสาทก็เลยเกิดโรคโคราชิตายกะทันหันทอกโบรดใบออกตายด้วยความเครียดหรือความเก่งนอนหลับตายไปเลยจิตใจไม่ได้พักผ่อนกายไม่ได้พักผ่อนกว่าจะรู้ว่าพักเก่งตายไปเลยเนี่ยนี่ความร้อนของโลกก็สูงขึ้นเพราะสารพิษต่างๆที่เราเผาไหม้เข้าไปในอากาศนั่นทําให้โลกนี้มีความร้อนสูงขึ้นผิดปกติ เมื่อมีความร้อนสูงก็เลือดมันก็นไหลเวียชีแรงความคิดทางจิตทางใจอุณหภูมิทางจิตใจคิดมากก็ไม่เคยทำยังไงเราจะได้ทํำยังไงเราจะมีเหมือนคนอื่นเขาทํำยังไงจะใช้หนี่อันนี้หมดไปแล้วจะมีอย่างโ น, น้นขี้จนนอนไม่หลับโดยเฉพาะผู้ชายที่ทํางานหนักเป็นหัวจักของขอบครัวเนี่ย ทำงานหนักทางกายหนักทางใจเอามาคิดทำยังไงเนอะลูกของเราจะเป็นอย่างนั่นเมียของเราจะมีหน้ามีตามีเครื่องหนุ่งหทมแตง่งตัวมีทองมีย่องเหมือนชาวบ้านเอองานก็หนักทางกายใจก็ยังคิดหนักหลับๆเขา้ากว่าจะหลับได้ใช้เวลานิดเดียวนะัะวันจะอ่อนเปลียวเพลี ย, รยแรงก็เลยเกิดโคลาชิเหมือนญี่ปุ่นเออป๊อกูริไบโอตายกะทันหันนี่ก็คือ <c oughs> ความโลก โลโะธรรมาหนังปริปันโธความโลภเป็นอันตรายแห่งทำทั้งหลายเท่ผ้าผืนอิ่มพรมเพี้ยนซอยใดเพราะม่เป็นท่อปีองอ่ไล่ถิ่มหอมทำถ้าเอาสินเอาธรรมออกจากจิตใจมันจะเป็นอย่างนี้นะับวันที่จะไหลตายเราให้ฟังต้นไม้ไหลตายมาแล้วปาลาไหลตายมาแล้วนก น, กนกูปูปีกไหลตายมาแล้วภูเขาให่ไหลตายมาแล้วเจาะภูเขาไปทําเมืองเพชรเมืองพอย ทางพงไผ่ปลาแป็นตายเกี่ยงอาเกล่อมคณะนั่นเนื่องนีชัดสิเน่าอยู่หน้าผ้ากันดินดันตายผู้ใหญ่พ้าแผนหลานตัวเตีย้ยต่ำตูกภูเขาใหญ่ใหญ่ท ล, ลายราบพนาศูนย์เพราะการกระทำของมนุษย์สิบวูหยังแต่คนแต่ภูเขาก็ไหลาตายแล้วคนหลัจะทำเป็นยังไงเมืันไหลาตายได้สบายสบายถ้าไม่มีสินมีธรรมถ้ามีสินแล้วฝังรักมันให้ลมตีหอยหาถอดเสนอ่งสิเงี้ยหน่ามืองลมเชิญตายได้อ ย, ย่างสบายเจ้ามีเฮง ถ้าเราได้ทำคุณงามความดีไว้พร้อมปรโลกที่ดีงามก็รอคอยจิตเตอสังกิริเตสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตไม่เศร้ามองแล้วสุขติเกาะเป็นอันต้องหวังสุแปวดีงามง่ายคติไปแบบไปไปแบบถึงสุขติไปแบบไปสู่ที่ดีที่งามที่ง่ายตั้งแต่ยังไม่ตายนะอย่ยเขาจะวัดตายแล้ว ตั้งแต่ยังไม่ตายมีสุขติมีทุกขคติเดี๋ยวนี้เราไม่เข้าใจไม้ข้าวัดสุขติแม้ข้าวัดทุกขคติใันสะไปหันไปหนีไปเถอะไปปฏิบัติธรรมอาจารย์สมภพท่านจะพาปฏิบัติการวัดเขื่อนที่ท่านอาจารย์สมภพจะพาปฏิบัติธรรมวันวิสขาขบูชาเห็นบ่เพิ่งจะพาอดเขายี่ิบสี่ชั่วโมงบูชาพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาหว้าฮิตายคาค า, าจ้างกับบ่ไป ต่างเี้จะไปทำไหมจิตมันยังไม่แจ่มใสมีแต่วความเศร้าหมองทีนี้ถ้าเกิดจิตมันเศร้าหมองมาไปไหนมันก็กลัว ผมกว่าครับรถไปตามถนนหลาดยางนี่ติดแอร์ยังเหือดแตกออกเป็นเม็ดๆ ไ, ไ, ไปสู่ทุคติพ่อะในลกนั้นในรถนั้นบรรทุกกัญชาในรถนั้นบรรทุกยาเสพติดในรถนั้นบรรทุกเอาอาวุธสงครามจะเอาไปขายอย่างนี้มันมีจิตใจไม่บริสุทธิท์จิตเตะอสังกิริเทจเตสังกิริเททุกขติปปิกังขามเหงอจิตเศร้ามองเลว ทุกขติก็เป็นอันตรองหวังคือการไปชั่วไปทุกไปยากไปลำบากเห็นตำรวจตั้งด an ่านเขายังมาจับสําดอกจอดมือสัจอกจอกจอกจอตีนสันเลนปานเฮือร้ายไข่หยดนั่นเรียกว่าทุกขติเรี้ยวไปทําบุญซุ้นตรทานติดทองธรรมจักไปปฏิบัติธรรหน่งข้าหอมเข้าวสมาธิภาวนาวันละข้าหกจวบโมงกินข้าวเวลาเดียว นั่งก็ไปเต็มคันรถเหมือนอาตมาพาพี่น้องไปที่อวบลราชธานีหกคันรถบาดตำรวจที่ไหนเห็นเขาทำไปไหนปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ปฏิบาททาัติธรรมโอ้ยสาธุได้บุญหลายๆเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พากันไปนี่เขาก็ลบมือซ้าตำรวจเขาก็ดีใจผ่านานางแกก็เปิดผ่านนิคมคําสอยเปิดอํานา จ, จเจริญเปิดตำรวจตำรวจเห็นมีเดชชื่นชมสาธุ ก, การไปเอาบุญนนานเห็นไหมล้วสุ ข, ขัตติ สุเป็นแบบดีว่างงามว่า ง, ง่ายคติแปลว่าไปดีไปงามไปง่ายอ่าไม่ต้องตายเดี๋ยวนี้ตัะเป็นเป็นไปไหนก็ อ, อยากไปไหนก็ลําบากไปไหนก็เลวซามเพราะการโกเวนสร้างกรรมไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ตายก็จะไปตกในโลกแหละพี่นนี่ก็เลยย่านบ อ, อยากตายกัน ชีวิตของมูมนุษย์นั้นมีความตายเป็นที่สิ้นสุดประเทศใดที่จเจริญทางอุตสาหกรรมจเจริญด้วยการแข่งขันจเจริญด้วยความยากได้ยากมีประเทศนั้นจะไหลาตายเร็วที่สุดเรายังไม่รู้พึงจะมาเตื่นกันเดียวนี้ว่าไหลาตายหลายตายประเทศญี่ปุ่นไหลาตายมาก่อนแ ล, ล้วแล้วกันเดียวนี้ไหลาตายหนักขึ้นโคราชิพอกุริบายโอตายกันทันทันตายเพราะความเครียดเพียงแต่เขาบาวาไหลาตายเท่านั้นเขาบอกเป็นภาษาเขาบ่าโคราชิเขาว่าพอกุริบายโอเขาวาจังซี ขังเขาวาไลไหลตายโว้ยจะได้กินแต่เหิงเดียวนี้นับวันจะไหลตายแหละความร้อนในโลกกาะทุ้งขึ้นน้ําในทะเลขั้วโลกเนื้อผุนละลายจากน้ําแข็งทําให้สูงขึ้นสูงขึ้นเกาะญี่ปุ่นอีกหน่อยน้ําก็จะท่วมตายหมดก็เลยหวาดกลัวกันยิ่งพยายามที่จร้นให้มีเงินมากๆเจไดห น, นีไปซื้อที่ดินอยู่ที่อื่นต่อไปประเทศไทยจะมีแต่คนเมืองนอกมาซื้อไรซื้อนาขอกบ้าสคีตายขอกหินแฮบ้าดินทรายอะไรต่งตางๆราคาถูกๆเขาจะมาซื้อเอาเขาหยานตายอยู่บ้านเขา ยันไหลตายเขาจะมาอยู่ประเทศไทยแต่ประเทศไทยไหลายตายตําบอกหูติ่งกินเอาไม้นิวมาทาเป็นหู บ, บักเทอร์เวอร์ติดไว้อยขายขี้หนาอับอายนี่เนาะเป็นเครื่องวัดจิตใจว่าเรายังไม่รู้เดียงสารในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่อุตสาสนมาอย่างดีปะหุเวสรนังยันติปปัตตานิบรรณานิจจะอาลามลูกัดเจติยามนุษย์ปัญจตาจิตา มนุษย์เป็นอันมเมือ่อเมื่อถูกภัยคุกขามยานตายมาถึงแล้วก็เข้าไปถึงคูเขาบ้างปา่าไม้บง้งเจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาให้มาช่วยเหลืออในตังโขสรนงังเคมังเนตังสรนงังมุดธมังเนตังสรนงังมาคา ม, มัสปะทุกคาปรมุจตจะตินั่นไม่ใช่สรณนะอันกเกษ น, นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษ น, นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุกได้ เดี๋ยวนี้ใจก็ยังทุกข์ยังไม่ตายก็ทุกเ์แล้วเพราะมันไม่มั่นใจท่านจึงบอกว่าโยจะพุทธท่นจะทำมันจะสั่งคัญจะสนังคตโตจะตาริอริยาัจาริสมปัญญายปัตติขอภัยพูดด้วยความเร็วสูงอย่ามันหมดเวลาซะก่อนทุกไดเข้าถึงพระพูดพระธรรมประสองพระพูดคือความรู้พระธรรมคือความ บริสุทธิ์พระสงค์คือความสมัครสมสามคัคคีมีความรู้มีความดีมีความบริสุทธิ์สามัคคีกันดีในสังคมบ้านเมืองไม่เอารัดเอาเปรียบกันนั่นแหละคือการเข้าถึงพระพุะทธพระธรรมพระสงฆ์มีจิตใจสะอาดนั่นคือความบริสุทธิ์ของพระธรรมมีจิตใจสว่างคือสติปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลาสังคมบุกป่ชุมชนมีจิตใจสงบ จิต ใ, ใ จ, จมีสมาธิไม่บอกรแวกไม่เพอเบาะแผลแแบนกดห้องบนได้บาวาดีชนี่ห้องบนได้บาวาม้วนผู้มีบุญเกิดขึ้นตรงไหนไม่ได้ตื่นเต้นโตกตาภาษีอ่านเกิดขึ้นตรงไหนหวไวยผีแมยไม้เกิดขึ้นบนไดบวมีญานมีคุณงามความดีมั่นใจตนเองอย่างนี้เขาเรียกว่ามีจิตใจสงบมั่นคงแล้วก็เห็นอริยสรรัจอันประเสริฐด้วยปัญญาอันชอบทุกขุนทุกขงสงบาทางทุกขสัจจะธิกมั่ง เห็นว่าสิ่งนี้คือเหตุนี่คือทุกข์นี่เหตุนี่เกิดทุกข์นี่คือความดับลงแห่งความทุกข์นี่ค้นทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อริยมรรคมีองค์แปมีความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อสิ่งต่้งหลายดัมมิปารถนาอย่างถูกต้อง พรพฤติปฏิบัติตนกายหวานใจเรียกว่านำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมีคําพูดจจที่ถูกต้องมีการปฏิบัติถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องผ่าเพียรพยายามอย่างถูกต้องไม่ผ่าเพียรพย า, ย, ย, า, าพ ย, ยามทําชั่วแต่ผ่าเพียรพยายามทําความดีผ่าเพียรพยายามละความชั่วผ่าเพียรพยายามรักษาคุณงามความดีไว้ในกายในใจให้นานๆไม่ตกเป็นทาบของความชั่วอย่างนี้มีสติอย่างถูกต้องรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อ มีคาถาดีเทวคเตสิค เ, เตสิกิงกรนาอาหางปิตังชนามิชนามิมีสติยังถูกต้องทันทําอะไรท่านทําอะไรเรารู้เราเราู้เราทําอะไรเราก็รู้อันนี้เรียกว่าคาถากันไหลตายคาถาตว่าผีนอนหลับตื่นขึ้นมาก็เส่คาถาคเตศิคเตสิกิงกรนาอาหางปิตังชนะมิชนามิแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันสิบ่องขังพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิง่งที่เปิดเผยแล้วใหม่ดีอยู่สองสามปับเทศหนึ่งมนคาถา เปิดผยมาเข้าใจความหมายและผัสละวาบอดีสองผู้หญิงขาไปเที่ยวเปิดเที่ยวแบอยู่เลื่อมันกับบอดีพระพุทธเจ้าหัยนี้ความชั่วเปิดมาให้คนรู้และมันเหม็นถึงไม่ดีเปิดสามอันนี้ใหม่นี่เลยพระพุทธเจ้าหาัวสิ่งที่เปิดเท่าไรหิ่งดีหรือธรรมะยิ่งเปิดให้คนรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างที่กําลังพูดเปล่าๆอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เลยหัวทํำให้คนมีหูมีตาสว่างสวยรู้จักเส้นทางในการดําเนินชีวิต ปกปิดไว้ไม่ดีถ้าปกปิดธรรมะไว้ไม่ดีเพราะเหตุ น, นั้นอาตมากระเลยต้องไปเดินทางเดินแล้วเป็นหมื่นๆกิโลไปเที่ยวเปิดเผยธรรมะแจกของส่องตาเกียงสามตายและจะได้ชามีเฮงบุญญาญาติผีไม่หมายดอกพระอริยเจ้าพระอรหันตานก็ตายเป็นเหมือนกันประพฤติจ่าทั้งกับแปดสิบปีนึ่งจะเอาอยังมาทากันไว้เพราะเหตุ น, นั้นถ้าหากเรารู้จักตนเองอย่างทราบซึ่งเขา้าอกเข้าใจในวิธีทางแห่งการดําเนินชีวิต ข้อดีคิดกิดที่ทําคําที่กล่าวเป็นชาวพูดกันซะจริงๆ จ, จ, จังๆอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องมาหวาดกลัวมันอะไรอปรมายุมนุษย์นังฮิเรยนนังสปอยโซชีวิตของโมดมนุษย์นี่น้อยนักอภัยเจ้าทว่าอย่างนี้ชาลาบีบุนังปตวาเอวังธรร ม, มาฮิปานิโนแม้จะโยได้ถึงชลาก็ต้องตายเพราะชีวิตสัตว์ทังไายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดายมกังนัมรูปัญจอุโภอันโายะนิสติตา เอกสมิงปิจมานสมิงอุโภพิจันติปยาติร่างกายจิตใจรูปกรรมนามอาศัยกันอยู่เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายมันก็จะตายไปแตกสลายไปด้วยกันบ่ต้องอย่านไหลตายสัมไงแม่ไม่จะมาเอาไปทําผัวผู้หญิงก็ตายเป็นเหมือนกันก็ท่าไยมันก็ต้องตายอุโภปุญญจะปาวัญจะยังมัจโจกรุรเตอิทะผู้ที่ตายไปทําบุญและบาปใดๆในโลกนี่แล้วบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปอืม ยันจะสะอนุคังโห้ติชายาวะอนุขาจีนีบุญบาปนั้นจะติดตามเข้าไปเหมือนเนาตามตัวเขาเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เราเกิดมามีบุญอย่างไงมีบาปอย่างไงทราบไว้อย่างไงก็ติดตามมาจะให้ไหลตายมก็เป็นเรื่องของไหลตายได้ทําอะไรไว้แต่ก่อนนั้นต่างหลายลองคิดดูโลกนี้สัตว์โลกทลั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะเหตุ น, นั้นต้องเข้าใจในเรื่องราวนี้ให้ได้ อายุของมูมนุษย์นี่น้อยให้รีบสร้างคุณงามความดีจเจริญญาธิษฐาะส่สวนนักถิมัจจุสนาคายโยพึงรีบกระทำตนเหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะขันไฟไหม้หัวแล้วมันจะไปเท็ุหนังใดค่ามันบรีบมอบไฟซะก่อนเห็นไหมล่ะพอบอกความแม่หมายซิ่มาเอาอยานตายเฝ้าเขาวัดขวานนั่นแหละไฟไหม้หัว ไฟแห่งความโทษไฟแห่งความสะทานยานกลัวไฟแห่งความยานตายวัวอย่ า, ายเผาตายเด้อไอ้ควยได้กินเราจะกรงกรนให้คอยได้ฟังเทศจะ ก, กันให้คอยได้ทำบุญก่อนไม่ได้ในฮิโนซังครันเตนามห้าเสเนนามาจุนาไม่มีใครสามารถพัดพินงกับพญามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้รีบสร้างคุณงามความดี กิจอันใดที่ควรกระทําทําไว้ก่อนตั้งคุณงามความดีเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนไปเตรียมใจก่อนสู่ไหนๆก่อจะตายไม่ใช่มานอนรอถ้าตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตื่นขึ้นแล้วก็หลับหับแล้วก็ตื่นทุกคืนค่าที่เรานอนหลับนั่นคือมันตายน้อยตื่นขึ้นมามันก็เกิดอีกนี่มันตายน้อยมันเกิดน้อยเกิดมาอายุหกสิบเจ็ดสิบปีถ้าเอาความนอนหลับมาต่อกันคนหนึ่งหลับเป็นสาวปีสามสิบปีพล นั่นคือตายน้อยหลับไปแล้วบวชตองหยาดตายบวชหาดผีแม่ไม้บ่ชเป็นนี่ยเป็นเสิงใครทั้งนั้นแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เกิดต่อเป็นทุกต่อตายจริงๆที่นี่นไม่ไม่ไ ม, ไม่ลุกขึ้นมาเลยก็เอาไปเผาแล้วก็มาเกิดใหม่แล้วสร้างคุณงามความดีอะไรไว้พระพุทธเจ้าทานเปรียบเหมือนกับต้นไมยาท้าปิอัญญตรลังพิชังเค เ, เตบุตตังมิรูฮติเหมือนพืชย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปทวีรัชจะอาคัมมะ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 พอเหตุนั้นพระพุทธศาสดาจึงกล่าวอัชเชวะกิจมาตาปังโกชัญญามรณงโสเวคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะต้องทําในวันนี้ใครจะล่วงรู้ความตายแมมพรุ่งนี้เราไม่สามารถพัดเพียนต่อความตายจะไหลตายคืนไหนก็ไม่ทราบละแต่สิ่งที่ทําได้ปัจจุบันคือสร้างคุณงามความดีถ้าหาไม่มีความดีไว้เลยมันก็หวาดกลัวต่อโลกนี่หวาดกลัวต่อโลกหน้ากันไปอย่างนี้ ก็ลเลยไปหาประหลัเคกาเล็บแดงใส่เสื้อยกตรงดัดผมสื่อสินมานุ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเลยขอให้สร้างคุณงามความดีให้มัน่นอกมั่นใจในชีวิตของตนเองคาเตสิคาเตสิอิงบารนังอาหางปิดตังชนามิชนามิามท่านทําอะไรท่านทําอะไรเรารู้เรารู้เราทําอะไรเราก็รู้รู้รข้อที่เราคิดรู้กิจที่เราทํารู้คํำที่เรากาว คนอื่นจะมาหลอกลวงเราก็ไม่ได้ใครจะมาหลอกขายยาทาเล็บให้เราก็ไม่ได้มาหลอกให้เราไปนุง่งเส้นก็ไม่ได้นกันกหน้เข้าบางแห่งเมียบังคับไม่พัวนุ่มโอวยเถ่าเกือบตายเราคอยมาที่นุ่งสิบเพราะว่าไปก้มให้ในผีแม่ไม้อยู่ในเรือนนี่ยิ่งหนักกว่าแม่ไม้ที่ยังไม่เห็นตัวเพราะเหตุนั้ น, นท่านสาธุชนตั้งหลายการกล่าวทำมิกระทันในวันนี้ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้ขอสรุปความว่าเดี๋ยวนี้ต้นไม้ก็ไหลตายยืนตายตายสัก เปี่ยนโลกภูเขาก่อไล่ตายสูงสูงถลายผู้ใหญ่พาแผ่นล่มทะไล่ผู้ใหญ่พาแผ่นหลานทะไล่ล่มลาวเรียนสัปซาวาสิงป่งห้อยปูปลาวกาพากันไล่ตายทำไมคนจะไม่ไล่ตายได้บ้างเพราะคนสร้างเวยสร้างกำเผาตัวเอง